วัดของพระพิโสผู้นำกรรมฐานตายและนำกรรมฐานกลับว่าเพีกยกโซใดลุกขึ้นแต่เช้าตรู่บำเพ็ญวัดทุกอย่างโดยนัยะก่อนนั่นเที่ยวนั่งขัดสมาธิมานาสิการกรรมฐานอยู่จนถึงเวลาพิกขาจานนะถาว่าแต่เช้าตรูเนี่ยนะทำอะไรบ้างก็คือตื่นแต่เช้าตรูททำเจตยังคณะวัดโพที่ยังคณะวัดรดน้าที่ต้นโพ ตักน้ําดิมนะวัดหม้อน้ําดื่มก็คือตั้งน้ําดิมยืนที่โรงน้ําดื่มมธรรจรจิยวัตรปรปะพฤติอุปัชยวัดสมาทานวัดเล็กน้อยมหาวัดสิเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่เสนาสนะนั่งเจริญกรรมฐานที่ตัวเองอบรมมาจนถึงเวลาบิณฑบาตกรรมฐานนี่มีอยู่สองกลุ่มด้วยกันนะนะสองอย่างสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือสัพพะักกากรรมฐาน และปาริหาริยกะกรรมฐานสัพพธักกะกรรมฐานหมายถึงกรรมฐานที่จำปรารถนาในที่ทั้งปวงนะเป็นกรรมฐานที่ไม่ควรขาดเป็นกรรมฐานที่ใช้ได้ในที่ทุกคนทุกแห่งถามว่าสัพพธักกรรมฐานคืออะไรคือเมตตาและมรณานุสตินะเป็นกรรมฐานที่ควรบริหารให้ประจำเป็นปกติเลยคือเมตตากับมรณสติ กรรมฐานคือเมตตาและมรณสติที่เรียกว่าสัพพะทักะเพราะเป็นกรรมฐานพึงปรารถนาในที่ทั้งปวงที่ไหนที่ในที่ทุกหนทุกแห่งควรอยู่ด้วยกรรมฐานสองอย่างนี้ถือว่าเป็นเป็นกรรมฐานเป็นพื้นเพรประจำประจำใจเลยเพราะอย่างเช่นเมตตาเนี่ยนะเป็นเป็นกรรมฐานที่ปรารถนาในที่ทั้งปวงไม่ว่าจะอยู่ในวัด ในวัดอาวาสก็คือวัดเป็นต้นจิงอยู่ภิกษุผู้อยู่ด้วยเมตตาในอาวาสในวัดเนี่ยนะทำตัวเป็นผู้ที่มีเมตตาแล้วก็มีเมตตาทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยผู้ที่อยู่ด้วยเมตตากรรมฐานทั้งกายกรรมวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเพื่อนสัพพรมารีทั้งหลายนะพระภิกษุ ส, สมณเณรในวัดเป็นต้นก็จะรัก อันเพื่อนสัพพมจารีเหล่านั้นไม่กระทบกระทั่งย่อมผาสุขพันธ์ถ้าเรามีเมตตาต่อเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังต่อเพื่อนพระเนรเป็นต้นอยู่ในวัดเดียวกันพระภิสุสัมเนยเหล่านั้นก็จะช่วยให้เราอยู่อย่างผาสุขเพราะเรามีเมตตาเพราะเมตตานี่ย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์และเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะพันธเมื่อเป็นที่รักเขาก็จะปล่อยให้เรานี่อยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างผาสุข ในถามว่าถ้ามีเมตตาในเทวดาล่ะผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาในเทวดาทั้งหลายอันเทวดาเหล่านั้นก็รักษาคุ้มครองย่อมอยู่เป็นสุขมันถ้าเราเจริญเมตตาต่อเทวดาเทวดาก็ช่วยปกปักรักษาผู้ใดที่มีเทวดาปกปักรักษาย่อมเห็นทางเจริญทุกเมื่ออนนะเหมือนก็นเราเหมือนผีบอกอันนะทำอะไรก็ตัดสินใจอะไรมันถูกไปหมดเลยบ่างัน้นนะคิดในทางที่มันถูกไปหมดเลยไม่มีผิดเพราะเทวดารักษา คนที่เทวดารักษาจะใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขผู้อยู่ด้วยเมตตาในพระราชาและมหาอามาตของพระราชาเป็นต้นอันท่านเหล่านั้นนับถือแล้วย่อมอยู่เป็นสุขผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาในบ้านนิคมในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอในจังหวัดเป็นต้นเนี่ยอันมนุษย์ทั้งหลายในที่ทั้งปวงที่ที่เที่ยวบินทบาตเป็นต้นเขาเคารพแล้วย่อมอยู่เป็นสุข มันถ้าหากว่าเขาอยู่ยที่ใดเขามีผู้ที่เขาเคารพเขานับถือเขาบูชาเพราะเราเป็นผู้มีเมตตาเนี่ยนะเขาก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลจนเรามีความสุขอันนี้คืออา น, นิสง์ของเมตตาเพราะว่าผู้ที่มีเมตตาเยอะตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของมนุษย์เทวดาปกปักรักษาไฟสาตรายาพิษเป็นต้นเขาไม่กล้อมกลายเนี่ยนะ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไม่หลงทำกาละเบื้องหน้าแต่กายเพราะกายแตกก็เข้าถึงพรหมโลกพันนั้นเป็นผลของเมตตาพันถ้าผู้ที่มีปกติด้วยอยู่ด้วยเมตตาจะอยู่ผาสุกเนี่ยนะเพราะว่าไม่ถูกโรคคือพยาบาทกลุ่มรุมคนที่ถูกโทสะกลุ่มรุมกระทบกระทั่งเนี่ยนะก็จะไม่เป็นที่รักเป็นที่พอใจของเพื่อนสะพรหมจารีก็ไม่มีใครชอบ แล้วก็ไม่เป็นที่รักของประชาชนไม่เป็นที่รักของเทวดาไม่เป็นที่รักของสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ใดก็ตามไม่เป็นที่รักของเพื่อนไม่เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนเหล่านั้นทําอะไรก็เดือดร้อนหมดทําอะไรก็มีปัญหามีแต่อุปสรรคะนั้นผู้ที่ได้รับความเมตตาเนี่ยทำอะไรก็ประสบแต่ความสําเร็จประสบแต่ความเจริญนั้นผู้ที่เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเรียกว่าเทวานำปิยติสระเนี่ยนะ เท ว, วานัมปิยะเนี่ยแปลว่าผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายเทวาก็คือเทวดานนเนทวานันติยะเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่รักของเทวดาหรือพระราชาผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะพระราชาเหล่านั้นดํารงอยู่ด้วยเมตตาเพราถ้าหากว่าเราปรารถนาให้เป็นที่ปรารถนาเป็นที่พึงใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็พึงดํารงอยู่ด้วยเมตตา นผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาก็จเจริญมรณ า, านุสติอันหนึ่งเพราะจะละความไข้ในชีวิตด้วยการจเจริญมรณ า, านุสติถ้าจเจริญมรณ า, านุสติมากจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะเหมือนเปรียบเหมือนว่าตัวเองก็เดี๋ยวจะเดินทางไปสู่ภพใหม่แล้วเตรียมตัวพร้อมไหมเนี่ยนะเดี๋ยวก็ตายแล้วเกือบตายแล้วเนี่ยนะก็คุยกันว่าเออเนี่ยชีวิตที่เหลือเราจะทาอะไรกันมาคานวณดูคนวณด้วเหลือกี่ปี เอาคำนวณแล้วเอาปีมาหารเหลือกี่เดือนเอาเดือนมาหารอีกเหลือกี่วันเอาวันมาหารอีกเหลือกี่ชั่วโมงเอาชั่วโมงมาหารอีกเหลือกี่นาทีเอานาทีมาหารอีกเหลือกี่วินาทีแล้ววินาทีมันแหมมันไม่หยุดนิ่งนะตัตกตักตจังรวดเร็วอย่างเงี้ยนะม <Eat>. ันทําอะไรกันนะทำอะไรเดี๋ยวเพราะมันมันผ้า ท, ที่ช่างหูกทอไปแล้วเนี่ยทอได้เท่าไหร่มันก็เหลือน้อยเท่านั้นอายุที่เพิ่มเท่าไหร่ก็แปลว่าเหลือน้อยเท่านั้นเวลาที่เหลืออยู่ทําอะไร S <S <an> เอ้เนี่ยจากนี้ไปค่าแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงนี่ก็จะจะได้เวลานอนนะจากนี้ไปนอนทําอะไรนอนอีกตั้งหลายชั่วโมงนอนอยู่ทําอะไรตื่นขึ้นมาแล้วตื่นมาทําอะไรต่อเพราะมันขยับตัวไปหาความตายทุกทีติกต๊กติกต๊ก๊เหมือนระเบิดเวลาเนี่ยนะทุกคนมีระเบิดเวลาติดตัวหมดเลยเนะแต่เพราะถ้าเราทําไม่ดีจะไปไหนก่อนเพราะรู้อยู่แล้วว่าโลกนี้จําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนีะ โลกนี้อัญชารานําไปไม่ยั่งยืนโลกนี้จําต้องละทิ้งสิ่งทั้งทวงไปในที่สุดก็ชาราก็พาไปหามรณะเนี่ยนะมันต้องเจริญมรณานุสติก็หรืออีกในหนึ่งบอกโอ้ยอยเราก็ยังหนุ่มยังแน่นอีกนานเนี่ยนะมเคยเห็นคนเด็กกว่าเราตายไหมเหมือนกันเคยเยอะแยะไปเหมนกันเลประมานี้ฟังข่าวรุ่นน้องตายทุกปีไงรุ่นอายุน้อยๆนะตายทุกปีบอกโอ้ยเนี่ยแล้วรุ่นพี่จะไปเหลือเลือ่อนเนี่ย บุญหนักนาแล้วที่อยู่ได้ถึงวันนี้เหมือนกันพู้อายุน้อยก็ตายไปก่อนแล้วเหนทีนี้ถามว่าแล้วสัตว์ที่อยู่เป็นอยู่กับที่ตายนี่ไหนมากกว่ากันนะเกิดมาเนี่ยนะ่าพอเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นประวัติศาสตร์ไม่เคยบอกเลยว่าเกิดแล้วเหลือไม่มีมีแต่เกิดแล้วตายเนี่ยนะผ่านมาศึกษาประวัติศาสตร์ของยุโรปของประเทศเอเชียของจีนของฝรั่งของแขกของไทยของยนุนเวียดนามลาว ฝั่งทุกประเทศแหละเกิดตายมากกว่าเกิดเออเรียกว่าที่ตายเนี่ยมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันแล้วที่เป็นอยู่นี่ก็ร่วงเชื่อไหมเราหายใจหนึ่งครั้งเนี่ยก็ตายแล้วมีคนตายแล้วนะบางโรคเนี่ยนะตายปีละล้านเนี่ยนะแต่ว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชากรห้าพันกัล้านเนี่ยเฉลี่ยมันตายทุกวันอนะ่ะตายาวันละเท่าไหร่ดีก็ตายเท่าจํานวนที่เกิดนั่นแหละนะเกิดเท่าไหร่มันก็ตายเท่านั้นไม่มีเหลือไม่มีว่างไม่มีเว้น จะอยู่ในฐานะอะไรก็ตายทั้งนั้นเละไอ้ที่เกิดไอ้ศัตว์ที่ผ่านมานี่ประวัติอดีตเมื่อกี่พันปีแล้วก็ประวัติเรื่องราวคนตายทั้งนั้นคำภีร์ที่เราอ่านนี่เรียนเรื่องของคนตายที่เขียนไว้ทั้งนั้นเลยเนี่ยนแล้วต่อไปแล้วพวกเราอีกห้าสิบปีข้างหน้าเนี่ยนะเราถ้าขอมาอยู่ว่าแปดสิบเศษไม่น่าจะอยู่อยู่ทําอะไรขนาดนั้นนะคางเหลืองแม่ขนาดนั้นนะเนี่ย อีกร้อยปีข้างหน้าจะเหลือหรือเนี่ยนะชื่อเสียงเรียงนามนี่อันตรธานสูญหายไปหมดแม้แต่เชื่อยังไม่เหลือเลยะนะกระดูกเขาก็ไม่เอาไว้รอกเกะกะบ้านเมืองเขาเนี่ยรกเอาไปทำปุ๋ยทำอะไรไปน่นเราะฉะนั้นะแล้วอีกต่อต่อไปเน่นะเขาจะเกิดมาอีกเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้น ก็ระลึกถึงความตายว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายจักตายด้วยสัตว์ทั้งหลายที่กำลังตายอยู่ขณะนี้ด้วยพูดหนึ่งคาสัตว์ก็ตายหนึ่งคนเชื่อะในโลกนี้นะต้องมีตายทุกคําที่เราพูดทุกครั้งที่เราหายใจมีคนตายหมดอ่ะแล้วเราอ่ะจะรอตายหรือไหยนะเอาถามว่าก่อนจะตายเนี่ยจิตเนี่ยสมมติถ้าตายขณะเนี้ยควรจะเกิดที่ไหนดีพอหมที่จะไปดี เอาไปดีเชื่อว่าโว่าคุณมีบุญมากคุณสะสมบุญไว้เยอะเนี่ยนะคุณเกิดเป็นเทวดาเนี่ยอยู่สักกี่วันเทวดาดิอ่านะอยู่สักกี่วันของดาวเดึงจาตุมดาอ่ยามานิมานารดีเนี่ยจะไปอยู่สักกี่วันก็รู้อยู่แล้วว่าความสุขมันเร็วอนะสวยผลบุญเนี่ยเร็วมากเลยนะสวยผลบาปแม้แต่สิบนาทีก็ยังคาอ่านะแต่สวยผลบุญถึงยังหมื่นปีก็แป๊บเดียวเนี่ยนะแล้วถามว่าเมื่อหมดบุญแล้วไปไหนต่ อ, อนะไปทําอะไร คิดนะว่าสัตว์ทั้งหลายเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็จักตายเราไปพบใหม่ก็ตายไปเรื่อยก็ละเลือ้อยถึงว่าเราจะต้องตาย น, นะนนี้เป็นสัพพัทกะกรรมฐานนะเป็นกรรมฐานที่ให้เจริญเป็นปกติอัตยาสายจะได้ไม่ประมาทในกุศลธรรม น, นะเพราะผู้ที่เมาในความเป็นอยู่เมาในชีวิตทําตัวเหมือนไม่ตายเนี่ยนะทำตัวเหมือนตายไม่เป็นถามว่าทําอะไรเอาคนที่ทําตัวเหมือนตายไม่เป็นโดยมากไม่ทําบุญ จะไม่ทําบุญก็ทําบาปทําเป็นทําตัวเป็นศัตรูตัวเองวางกับดักสร้างระเบิดเวลาเอกตัวเองมากมายมหาศาลเป็นคนที่สาบแช่งตัวเองให้ตัวเองเดือดร้อนต่อไปในอนาคตนี่นะเพราะตัวสิ่งที่สิ่งใดที่เราทํานั่นแหละคืออนาคตต่อต่อไปของเราเพราะฉะถ้าเราระลึกถึงว่าอีกหน่อยเราก็ตายแล้วสิ่งที่เราทํานี่แหละจะเป็นสมบัติของเราเราควรจะทําอะไร ควรประพฤติไตรสิกขาไม่ดีกว่าหรือเนี่ยนะก็จะได้หันมาเจริญอธิศีลสิกขาเพื่อข้ามจากอบายทุคติวินิบาตนรกเจริญอาทิจิตตสิกขาเพื่อข้ามจากอะไรเจริญอธิจิตตสิกขาเพื่อข้ามจากการมมพบเจริญอาทิปัญญาสิกขาเพื่อออกจากวัตฐ์แลก็เจริญสิกขาสามเพื่อออกจากวัตฐ์นั่นเองะนะครับก็เห็นแล้วว่าโอ้โหสิ่งที่เราไม่ควรประมาทคือ ไตรศิขาพันยถ้าเราทิ้งกรรมฐานนี่อะไรจะเกิดขึ้นก็เลยหันมาเจริญกรรมฐานที่สูงนั้นก็บริหารมีดตากับบริหารบริหารอะไรมรณ า, านุสติเป็นอย่างดีทีนี้ต่อไปก็เจริญกรรมฐานที่เหมาะกับจริตะนะกรรมฐานที่เจริญเหมาะกับจริตเช่นจตุธาตัววัดฐานกรรมฐานเจริญท่าสี่ก็ได้ผมคนเล็บฟันนั้งเนื้อเอ็นกระดูกยีไนกระดูกไตหัวใจตับทางผิด ม, ม้ามปอดเป็นต้นน่ยนะ นะครัว่าจะตัวธาตุว่าฐานธาตุดินยี่สบธาตุน้ําิบสองธาตุลมหกธาตุไฟสี่หรืออสุภาษิตนะับอสุภาษิตรับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตายแรกเริ่มในสองวันสาวันจนถึงกระดูกแหลกเป็นผงเนี่ยนะแล้วก็กสิน10บนะวันล ะ, ะกะสินธาตุกสินเป็นต้นหรือเจริญอนุสติ10มีพุทธานนุสติเป็นต้นกรรมฐานเหล่านี้เรียกว่าปาริหาริยกรรมฐานกรรมฐานที่ต้องบริหาร ให้เหมาะกับจริตอันนันให้เหมาะกับจริตเป็นกรรมฐานที่พิสูจน์จะต้องบริหารรักษาแล้วก็เจริญทุกเมื่อเพราะเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับอัธยาศัยแต่ว่าให้กรรมฐานที่เป็นพื้นเพประจำตัวเลยสองอย่าง น, นมรณ า, านุสเทกับเมตตาเมตากับมรณานุสเทอันนั้นถือว่าเป็นยืนพื้นเลยเป็นยืนพื้นส่วนพิเศษพิเศษก็เลือกเอาอันใดก็ได้ใน อสุภาพสิกษิน10อนุสติ10ถ้าเป็นที่อื่นเลยกรรมฐานควรบริหารเป็นเพื่อนอยู่สี่กรรมฐานพุทธานุสติเมตต า, าอสุภาพมรณะเนี่ยนะเรียกว่าพุทธานุสติเมตตาจะอสุพังมรณะสติระมาันสี่กรรมฐานคือเรียกว่าปริหาริยะกรม ร, กกรมฐานเออเข้าไปสัพพะกกะกรรมฐานควรเจริญเอาไว้เลยเป็นหลักสี่กรรมฐานคือพุทธานุสติเจริญให้เป็นต้องให้เป็นนะนะไม่เป็นก็ต้องเป็นว่างั้นเธอ ต่อไปผู้ทานนุสติเมตตาเมตตาที่เจริญไม่เป็นก็ต้องเจริญให้เป็นอสุภะที่ไม่เป็นก็ต้องเจริญให้เป็นแล้วก็มรณานุสติไม่เจริญก็ต้องเจริญถือว่าสอย่างนี้เป็นถือว่าเป็นสมบัติพื้นฐานข อ, ของของของผู้ที่จะรักษาคุณธรรมชั้นสูงถ้าไม่มีกรรมฐาน4ประการเนี่ยบริหารคุณธรรมชั้นสูงไม่ได้แต่นะอันนี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติประจําตัวของผู้ที่จะเจริญงอกงามในศาสนาคือเจริญเมตตาเจริญอสุภะเจริญมรณะและเจริญ พุทธานุสติเนี่ยนะผู้ที่จะเจริญงอกงามในศาสนาต้องมีต้องมีเลยนะไม่ใช่ควรมีต้องมีเลยแหละแต่ที่เหลือก็เลือกบริหารเอาตามใจชอบนะเลือกเลือกรักษาอันใดอันหนึ่งก็ได้เนี่ยนะเจริญทุกเมื่อปริหารยะกรรมฐานนั่นแลเรียกว่ามูลกรรมฐานกรรมฐานที่เราเจริญเป็นปกติเนี่ยน ะ, ะไม่ใช่สภาวะกาศนะกรรมฐานที่เราพิเศษอันใดอันหนึ่งเรียกว่ามูลกรรมฐาน กรรมฐานทั้งสองอย่างนั้นควรเจริญสับพัทกะกรรมฐานก่อนถ้าจะเจริญกรรมฐานนะที่จริงของของเราทั้งหลายที่ใครที่สวดมนต์เนี่ยนะในขณะสวดมนต์สั่นเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันนั้นก็พุทธานุสติแล้ใช่ไหมต่อไปบางพวกก็เจริญมรณะด้วยสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายจากตายด้วยสัตว์ทั้งหลายกําลังตายอยู่ด้วยความสงสัยในเรื่องตายไม่มีแก่เราเลยเป็นตนน้นเนี่ยก็เจริญมรณานุสติ แล้วก็บางคนก็เจริญสาธยายอาการ12เลยนะอธิมัสมิงกาเยเกซาโลมานาคาธันดาตาโจมังสังเป็นต้นนี่ย